ธรรมชาดกแผ่นที่เก้าลำดับที่สามโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15กันยายน2556มีชื่อเรื่องว่าเต่าหาบหงก่อนอื่น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 ในช่างผูกก้อนที่แกะหินขาวที่พระพุทธรูปนอนปางปรินิพานหลวงพ่อก็ให้แกะรูปเหมือนทั้งห้ารูปที่จังหวัดเชียงรายแต่นี่นก็เสร็จแล้วละ่ะส่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วทั้งห้ารูปรูปละห้าแสนนะกันะศรัทธาญาติโยมรูปลานแพงพอสมควร ลูปของคุณแม่สองลูปลูปละห้าแสนรวมทั้งค่าหินด้วยค่าหินค่าแกะรวบหลวงปู่มั่นรูบหลวงตารวบหลวงปู่ล่าแล้วก็ส่งแล้วก็ลูกของคุณแม่ชีแก้วก็ส่งไปที่เจดีของคุณแม่ที่มุกดาหารบ้านห้วยทรายที่เจดีเอาไว้ข้างบนเอาลูกไฟเบอร์ที่อยู่ข้างบน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 อธิธาตหรือพระธาตุของหลวงปู่มั่นที่ไหนน้อหลวงพ่อคิดในใจเพราะว่าได้ลุกหลวงปู่มั่นมาแล้วอวันดีคืนดีคุณหลวงก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ผมมีเกษาหลวงปู่มั่นเขอให้ผมนานแล้วลผมก็จะถวายท่านอาจารย์โอ้ดีดีดีดดดกําลังต้องการอยู่พอดีพอดีก็เลยใจะใส่อธิธาต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 สวดทั้งพระสงฆ์สวดทั้งคณะสัทธาญาิโ ย, ยมทุกหมู่เหล่านะ่ะสวดพร้อมกันอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิ ช, ชาจรณนะสัมปันโนจากนั้นหลวงพ่อก็เป็นผู้บรรจุตลับเข้าที่ตรงที่ทารูไว้จากนั้นก็ปิดด้วยกาวเพื่อต่อไปก็เป็นที่กราบไหว้สัการะบูชาของ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 จัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนจะรับทราบ พ, พร้อมหน้ากันและก็พร้อมการท่าว่าจะบอกใครอีกก็ได้ผู้ที่อยากจะมาร่วมที่ไม่ได้ดินไม่ได้มาวัดในช่วงนี้ก็บอกต่อๆกันเออหลวงพ่อท่านจะบรรจุอธิธฐานพระธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์สี่องค์้ะหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าคุณแม่ชีแก้ว นี่แหละงขอให้บอกต่อกันอดูดามาได้ก็มาถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะยกมือปนมมือใส่หัวนลยเออสาทุอนโมทนาด้วยที่ครูบายจานพี่น้องประชาชนปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายได้บรรจุพระธาตุอธิธาตุในองค์ของหลวงปูค่ครูบายจานเท่านั้นก็พอนะไม่ต้องมามาไม่ได้นะ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 พวกเราท่านทั้งหลายให้สำรวมปากให้ระวังปากหลวงพ่อก็บอกเพราะว่าการที่จะยุแยงทำให้แตกแยกกันทำให้สงแตกแยกกันเป็นบาป ก, กรรมเพราะว่าทำให้คนทุแยงกันแตกกันแต่ในกฎหมายนี่ด่าใครดูถูกใครโทษประหารนี่ มีหรือเปล่ากฎหมายเนี่ยวะแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงโทษประหาร น, นะแค่ว่าโกหกเนี่ยมีสิขาบทหนึ่งในปาราชิกสีน่นภิกษุอวดอุตริมนุษส ธ, ธรรมคือทมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปาราชิกนอันนี้ก็คือโทษประหารถึงที่สุด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 เดือดร้อนออตายได้พระสงฆ์ก็เลยถามพระพุทธเจ้ากราบทูนถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าข่าที่ว่าพูดขึ้นไปแล้วไม่ลุกจาักกาลเทสาแนละทำให้ตัวเองตายพระพุทธองค์บอกว่าพวกเธอทั้งหลายอยากจะฟังเหรอสมัยหนึ่งมีหง มีหงสองตัวอา่ามีหงสองตัวมีกําลังมากแล้วก็บินออกจากถ้ำถ้ำของหงแล้วก็ไปกินอยู่ในสระน้ําป่าหิมะพานอาพอไปกินเม็ดเมล็ดยาแล้วก็ลงไปกินน้ําแล้วก็เห็นเต่าทุกวันทุกวันใจเงียบเงียบเงีย ม, ม, ยม อ, อยู่ในนั้นเต่าหงก็เลยถามเต่าว่า เต่าเธอมาอยู่ที่นี่นานแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไหมแหหงสองตัวถามเต่าเต่าก็บอกโอ้ก็อยากจะเปลี่ยนเนี่ยถ้ามีที่ดีกว่านโหในป่าหิมาานอยู่ข้างในแล้ว น, นะเป็นสรร่มรื่นเป็นสระน้าใสสะอาดวัชพืชทั้งหลายแหละอาหารอุดมสมบูรณ์อาหารเต่านะ่ะอผักบุ้งผักอะไรเต็มไปหมด ถ้าเธออยากจะไปแต่ก็ไปได้แต่โหยผมไปยังไงจะไปไกลป่าหิมาพานขนาดนั้นแต่ขนาดอยู่ในสระน้ำท่านี้กผมก็ยังไปลาบากหงบอกว่าเอาเถอะไปได้แล้วเราจะพาไปแต่ข้อสำคัญเธออย่าอย่าพูดอย่าอะไรทั้งหมดถ้าเชื่อคำของเราเนี่ยเธอก็ไปได้ ถ้าว่าเธอไปพูดผิดการผิดสถานที่เท่านั้น่ะข้าไม่รับรองนะเต่าได้เพียงแต่ไม่ให้พูดผิดการสถานที่เท่านั้นอ่ะเพียงแค่นั้นก็ได้ถ้าพวกท่านจะปลานีกรุณาที่จะให้ข้าพระเจ้าเปลี่ยนบรรยากาศาไปเปลี่ยนสะใหม่แม่นหนองน้ำใหญ่เรอเอา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 หงสองตัวกับคาบโคโนซอนกั น, นบินขึ้นอากาศบินบินบินบินไปท่านี้กัมันก็ผ่านป่ารงพงไพเพราะในสุดผ่านกรุงพาราณสีผ่านกรุง่ะผ่านกรุงพาราณสีไปเด็กทั้งหลายเนี่ยเขากำลังเล่นสนุกสนานอยู่ในเมืองเหมือนกับแถวบ้านเราเล่นกีลงเล่นกีฬานี่แหละท่านี้เขาก็เห็นมองขึ้นไปไปเห็นบนอากาศ ก็เห็นของแปลกใช่ไหมเออนอนูหงษ์สองตัวเนี่ยเนี่ยหามเต่าใช่ไหมแล้ ว, ว่าเต่ามันแขวนคดขาเข้าไปแล้วก็คาบไม้ไผ่ยอยู่ในอากาศคนทั้งหลายเขาก็บอกว่าเห็นไ้มเห็นไหมเห็นไหมเต่าหามหงษ์เต่าหามหงษ์ไะเต่าหาบหงษนะ์ไงเออคล้ายๆว่ามันเต่าอยู่ตรงกลางใช่ไหมลนะ่ะเหมือนกะหาบเนะ เต่าก็เลยนึกโมโหขึ้นมาทีนี้เอ๊ะมันคนนะมันพูดไม่ถูกเนี่ยมันน่าจะบอกว่าหงหามเต่าอ่ะมันจึงจะถูกนะอ่ไปที่ไหนเขาก็ว่าอ่เต่าหาหงเต่าหาผงว่างั้นเพราะมันเต่า อ, อยู่ตรงกลางฮะอ่ตทีนี้ก็เลยเต่าก็เล ย, อ, เลยอ้าปากขึ้นมาสวพูดไม่ถูกอ่พูดต้องวัดเต่าหาผงเอะหงหามเต่าที่ เอมันจึงจะถกพออ้าปากเท่านั้นแหะเต่ตาเท่านั้นก็หลุดออกจากไม้ทันทีมันอ้าปาก้มันถึงอยากจะพูดตัวนั้นพูดพูดไม่รู้จักการสถานที่ออ้าปากขึ้นมาเต่าเท่นั้นก็เลี้วลีเลวลีว ล, ว ล, ว ล, วลงมาจากบนอากาศเลยกระแทกตรงดินแข็งแข็งแก่นแก่นใช่ไหมปังเลยเพราะนั้นพวกเราเห็นมาหลังเต่าทุกวันเนี่ยมันเป็นเป็นแตกเป็นรล้วเป็นรอยเน่ะเพราะมันหลังแตกแต่สมัยนู้นะ เออมันตกมันหงายหลังตกลงมาจากท้องฟ้าเออหงกพยายามโดดออกไปเพื่อจะไปลองรับเต่านะเพื่อไม่ให้มันตกแรงเกินเกินไปมันก็รับไม่ทันนะสิใช่ไหมพอพอนี่สุดหงกเล้วช่วยไม่ไดเ้เราก็บอกแล้วอย่าพูดอย่าพูดสงสองตั ว, ลวเลยคก็บินนุ่ด้วยความเสียใจเพราะด้วยเจตนาดี เขาก็เลยกลับไปสู่ป่าหิมพานตามเดิมแต่ออกตอนนั้นก็เลยหลังแตกตายอยู่ในลานกลางเมืองกรุงพรานศีนี่แหละนิทานและชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่จะพูดนะัสถานสิ่งใดควรหรือไม่ควรอย่างไรต้องไขควรดูซะก่อนว่าการพูดออกไปนีจะเสียหายไหมจะทำให้คนอื่นตนเองเดือดร้อนไหม ถ้าว่าพวกเราได้คิดจะก่อนก่อนที่จะพูดนะใครควรจะก่อนก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทําเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะแต่ถ้ามีอะไรหลวมปากก็พูดไปเรื่อยผ้ามผ้ามไปเรื่อยใครจะเสียหายยังไงใครจะเดือดร้อนอย่างไรนั่นแหละตัวเองนั่นแหละจะเดือดร้อนนะ่ะเหมือนกับเ ต, าต่าตัวนั่นนะพูดผิดการเวลาพูดผิดสถานที่เฮ้อ หงเขาก็เตือนแล้วว่าอย่าอ้าปากอย่าพูดนะให้ไปถึงที่ซะก่อนจะว่าอะไรยังค่อยว่าเต่ามันอดไม่ได้เองมันอ้าปากผิดการสถานที่ทั้งที่ตัวเองอยู่ในอันตรายยังไปอ้าปากอไปต่อ ว, ว่ากับชาวบ้านเขาบอกว่าเต่าหาผง่ะชาวบ้านบอาเต่าหาผงว่ามันอยู่ตรงกลางไะ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 ได้ยินทางรัฐบาลเขาเนี่ยปองรองปองรองจะไปปองรองได้ยังไงไม่รู้ื่อันไหนขาวอันไหนเอามาถล่มกันอยู่เรื่อยปากเป็นพิษปากเป็นภัยปากไปอยู่ในความสงบถ้าทุกคนชุมรวมปากซะมันก็เดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถ้าทุกคนไม่ระวังปากอย่างนี้แหละเหมือนกระเต่านั่นนะ เ, เสียหายทั้งประเทศชาติบ้านเมือง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 กรเดือ ด, ด, ดร้อนทั้งตระกูลเดือดเป็นเป็นยังไงตามปกติพญานาคเนี่ยพญาคตเวลาจะไปจับนาคพอแหวกน้ํมหาสมุทรพออบปีกกระเพื อ, อกระพือแหวกน้ํอพอแหวกน้ําจนน้าแห้งที่ว่าน้าขึ้นน้าขึ้นสี่น้ํามีคงจะลักษณะอย่างนั้นนหละนิทานโบราณนะพอกระพือปีกจะได้พญานาค ชูคอขึ้นมาก็สู้เอ้สู้ที่จะกัดคดเหมือนนเถอะเอ้เหมือนกับงูนะ่ะที่เราจะไปแนละ้วกบชูคอขึ้นมามันจะสู้นะเอ้แต่นี่พยาคดก็โดดเพื่อจับคอจับคอนาคอนาคเนะ่ะแต่ที่จะสู้กับพญานาคที่นาคจะสู้กับพยาคดเนะ่ะมันกลืนก้อนหินเข้าไปในท้องเลยนะกลืนก้อนหินให้หนักหนักที่สุดเหมือนกั น, นเอะ เออเกินเข้าไปในท้องพอพยาคุดจับคอเข้นลากขึ้นไปมันขึ้นไปไม่ พ, พ้นเพราะว่านากมันเกินก้อนหินไอ้พยาคุดเนี่น้ําท่วมตายไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหรอ่าทีนี้พยาคุดก็อ่อนอกอ่อนใจเอ๊ะทาไมตะก่อ น, นจับลากคอขึ้นไปแล้วอนากตัวไหนเนี่ยเอาไปกินได้ทุกตัวแต่คราวเนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้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 พวกเรากินก้อนหินเข้าไปให้มันหนักทั้งเอาหางรัดก้อนหินอีกต่างหากให้มันหนักเพราะนั้นนาคจึ ง, ด, งดึงขึ้นไม่ได้แต่ถ้านาคฉลาดน ะ, ะถ้าพัญาคุดฉลาดนะถ้าคุดฉลาดไม่ต้องจับคอเนยะจับหางนะพอจับหางขึ้นมาเท่านั้นแหละก้อนหินจะไหลออกจากปากเนยะออกจากปากหนกักมีเท่าไหร่บดเหมือนกัน เออพอวัดยาพูดนะอย่าพูดให้ใครฟังนะท่านฤาษีนะอันนี้เป็นความลับของตระกูลนะเออพญานาคบอกท่านฤาษีก็เออแต่นี่พัดพญาคุดมาทีพาคุดหมายาเป็นไงท่านฤาษีได้ถามอะไรอยังถามแล้วออพอถามเป็นไงเลยโอยเขาว่าไปจับคอมันลาบไปขึ้นแล้วพอนเขากืนหินเกืนหินเขาไปในท้อง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 พัดพัดน้ําทะเลมันก็แหวกแหวกแวกเหมือนกับเราใช้ของแรงแรงใช้นั้นพัดลมพัดน้ําอ่ะน้ําก็เป็นช่องลงไปพอลงจานลงไปพญานาคก็คิดสู้อีกอย่างเก่าเนะเออคิดสู้อย่างเก่าเอาหัวขึ้นมา ท, ที่จะสู้กับพญาครดพญาครดทั้งที่จะจับคอเถอนะจะจับหางนากเถอนะนยพอจับหางนากลากขึ้นมาเท่านั้นแหละก้อนหินไหลออกจากปากนาคทั้งหมดเลย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 เป็นอาหารของพยาคุดและขาวนี่ไหฮะพยาคุดจะยินพูดนาคพูดบอกเอ้ยนาคเธอมันโง่ทําไมเธอไปหาพูดให้ความรับตัวเองให้จะไปพูดให้คนอื่นฟังต่อไปนะถ้าท่านเป็นอย่างนี้นตายนะโอ้ยขอชีวิต in, in อินชีวิตด้วยเถอะพยาพยาคุดไหมอ่าท่านเองพยาคุดก็เออเเป็นปะไปด้วยกัน กันเลยออกมาก็เลยแปลงตัวเป็นมนุษย์แต่เนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปทําไปถามฤๅษีออกก่อนฤๅษีเนี่ยอบอกความลับจริงไหมอ่าปัญญากรุฎประวัติฤๅษีบอกความลับให้คาทตนี้ยญาหน้าก็บอกว่าไปทวงไปทวงสัจจะจากฤๅษีเนี่ยผมให้สัจจะกับท่านแล้วว่าท่านอย่าพูดเปิดเผยความลับนะท่านเปิดเผยไหม ไอ้ทำพอนี้นก็เดินเข้าไปพยาคุดปอกโอ้วันนี้นากนากคงจะฆ่าลือศีแน่แอ่หนากคงจะฆ่าลือีพยาคุดก็ไม่เข้าไปแล้วอยู่ข้างนอกเอพราะได้ความลับจากลือศีนละ้วนี่ยนักก็เลยเข้าไปคนเดียว เ, เข้าไปตัวเดียวเาวา่ท่านลือศีที่ผมพูดว่าท่านต้องรักษาความลับของข้าพเจ้านะพร้อมตระกูลนะ ท่านได้รักษาไหมทางฤาษีเนี่ยก็เป็นผู้มีสินใช่ไหมอุอะอุหอ ะ, หะ er ถ้าจะพูดความจริงก็ไม่ได้เทไงเพราะว่าตัวเองได้เปิดเผยความลับของนาคจริงๆแต่ได้รับคํำจริงว่าอย่าเปิดเผยนะคําเนี้ยอ แ, แต่ฤาษีนี่ยมองเห็นว่าไม่เห็นจะมีอะไรฮะไม่เห็นจะมีอะไรฮะแต่ตามามจริงมันมันมีอะไร น, ะน่ะ่เทไยมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยความลับตัวนี้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 ศีรษะของฤาษีก็แตกปั้งออกเป็นเจ็ดภาคเลยฤาษีนั้นก็เลยตายฮนี่แหละนิทานหรือชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในตัวอยู่แล้วนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทั้งหลายให้สำรวมปากฮถึงจะเป็นปากถึงจะเป็นลมก็จริงแต่เป็นพิษเป็นภยัยทําให้ตัวเองตายทําให้ตระกูลเดือดร้อนจิบหายวายปวงได้เพราะเหตุไรเพราะ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 ไม่ไม่ระมัดระวังในวาจาของตนเองเนี่ยทำให้ตนเองบงการเดือดร้อนได้ง่ายๆฮเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะให้พระนจัตาญาติโยมลูกหลานฟังเอาไว้นะนิทานอย่างนี้หาฟังระยากนะลูกหลานนะมีแต่หลวงพ่ออินเนี่ยผูดชาญโขพูดนิทานให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอต่อนื่ไปรัพรนะเจเนนอนุโมทนาให้พร